คนไทยต่างประเทศนะเขาก็อยากเรียนธรรมะนะแล้ที่น่าสงสารมากเลยบางคนต่างประเทศบางคนหรือบางชาติเนี่ยเขาอยากเรียนเหมือนกันแต่เขายากที่จะเรียนเขายากมากเลยกรรมฐานส่วนใหญ่ที่สอนกันเนี่ยเป็นเรื่องของการทำสมาธินะที่ไปทางยุโรปอเมริกาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องสมาธิเท่านั้นนะ ก็หลังก็วาดภาพไปว่าศาสนาพุทธก็เป็นเรื่องนั่งสมาธนะิมองกันแบบนั้นนี่บางค น, นเขาอยากเรียนให้สูงกว่านั้นเขารู้ว่ามีอะไรมากกว่าการนั่งสมาธิติดขัดด้วยภาษานะสมัยพระเจ้าโศกท่านมองการไกลนำพังศาสนาพุทธนัถ้าอยู่ที่อินเดียแค่นั้นป่านนี้หมดไปแล้วเจ้าโสกส่งพระออกไป รอบเลยรอบอินเดียเลยขนาดลูกชายท่านมาบวชพระมาหินพระมาหินเทระก็เป็นธรรมทูตนะลงไปเผยแผ่ที่ลังกาไปลังกาพระโสนาอุตระนะมาสวนภูมิไทยกับพม่า ก, ก็เถียงกันแนะย่งกันเป็นสวนภูมิ แต่เราพอไปเค ไ, ไปดูผู้กลามนะมันยิ่งใหญ่เมืองไทยเล็กนิดเดียวเลยความเป็นพุทธของเขานะี่ยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะแล้วอย่างถ้าเรามองในแง่ที่ว่าเราเดินทางมาจากอินเดียนะควรจะถึงพม่าก่อนไทยนักปฏิบัตจํานวนมากก็คิดเหมือนกันว่าสวรรณภูมิเขาน่าจะพะมา่าแต่เราไม่เป็นไร บางท่านเลยพัฒนาต่อไปให้เราเป็นสุนาปรันตะเป็นประเทศตาเถือนสุนาปรันตะมีพระมาเผยแพร่เหมือนกันแต่รวมความแล้วก็คือาศาสนาพุทธมาถึ ง, ถงเราได้ธรรมยุตธนี่ก็ไปสืบมาจากลังกาใหม่ธรรมยุทธ์ไปเนไปบวชจากพระมรสมัยการที่สี ลมอ น, นี้สืบไปแล้วท่านบวชมาจากลังกางั้นน่าจะเป็นสายพระมาหินพร้ามหานิกายเราน่าจะสายพระโสนนักุตรละอะไรเนี้ยแต่ว่านี้ไม่ไม่เป็นวิชาการนะนี่คุยกันเล่นนักวิชาการคงต้องไปเฉียงกันเดี๋ยวนี้ทำยุทธมหานิกายก็ ก, กลืนกันแล้วคล้ายๆกันไม่ต่างอะไรกันสมัยแรกกันที่สาม พระย่อหย่อนมากคนจริงย่อหย่อนตั้งแต่กรุงแตกด้วการทิศีตอนนั้นเป็นเจ้าฟ้าออกไปบวชท่านเห็นพระเราย่อหย่อนมากท่านก็คิดว่าศาสนามนันสูญไปแล้ว อ, อย่างไรเนี่ยเที่ยวดูไปนะเจอทีมพระมร น, นะพระมร น, นี้รักษาพระวินัยเข้มเข้มแข็งสืบดูว่าโอ้บวชสืบทอดมาตั้งแต่หลังกา ก็เลยเอาธรรมยุทธ์เข้ามานะสร้างธรรมยุทธ์ขึ้นมาสืบมาจากพระมรท่านไม่ได้หวังว่าจะทำลายพระดั้งเดิมหรอกท่าหวังว่าจะได้เป็นตัวอย่างว่าพระต้องมีศีลมีธรรมนะอะไรนะหลังๆนี้พระมหานิกายท่านก็ดีนะก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยการเรียนการเพื่อปฏิบัติอะไรไม่ได้มีความแตกต่าง หลวงพ่อลไม่ค่อยเน้นเรื่องนิกรัยนะชาวพุทธเหลือน้อยอยู่แล้วนะยังแยกพวกอีกยิ่งแย่ใหญ่เราพยายามลดการแยกพวกลงข้อวัดเข้มงวดเหมือนดีเป็นแบบอย่างแต่เวลาไปเผยแพร่ะนะไปเผยแพร่ต่างประเทศเนี่ยเอาข้อวัดไปนะไม่มีใครเอาเผยแพร่ไม่ออกเขาไม่ได้อยากได้ข้อวัด เลยสู้ทางมหายาณไม่ได้ไม่เน้นที่ข้อวัดเน้นเรื่องสมาธิเน้นเรื่องปัญญาในปัญญาแบบของมหายาณศาสนาพุทธเราล่อยหลอนะร่วงโรยมากเขาขั้นร่วงโรยมากเลยพุทธแบบของเราอ น, นี้เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศแล้วรอดแร่เต็มทีแล้วในเมืองไทยคนที่เป็นพุทธเหลือนิดเดียว ความเป็นพุทธของเราแทบไม่เหลือแล้วพนะมา่าเปิดประเทศล้วพมา่าเดิมเป็นพุทธที่ดีกว่าเรานะเข้มเข้มแข็งกว่าเราเยอะเลยความเป็นพุทธของเขาหลวงพ่อเลยหวังว่าพวกเราจะเรียนรักษาสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้นะน่ากลัวนะน่ากลัวมากๆเนะลยล่อแหลมมากที่จะสูญไป ลทัทธิเดลทีต่างๆนะแทรกเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างลทัทธิว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงนี่เดลทีนะไม่ใช่ชาวพุทธเนาะแทรกเข้ามานะลทัทธิเบียนไวยตายเกิดนี่ก็ไม่ใช่พุทธนะจิตดวงนี้แหละตายแล้วออกจากล่างไปเกิดใหม่ เปลียนเฉพาะร่างเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่พุทธจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆพวกก็สอนกันให้นำเอาความว่างพานาให้เอาความว่างเนี่ยสุญญาตาเนี่ยนิพพานนิพพานันพานางพลังังสุญญงังเนี่ยนิพพานละว่างว่างแบบไม่มีอะไรเลยนั้นมันว่างเปล่าเป็นอุเฉททิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจาทิฏฐิปลอมเข้ามาเยอะนะหรเรื่องเมืองพระนิพพานนิพพ า, านแล้วยังเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่สิ่งเหานี้เยอะนะปลอมเข้ามามากมายเลยผลเข้ามาพุทธแท้ๆเหลือน้อยเต็มทีถ้าพวกเราไม่เรียนใครจะเรียนเราไม่รักษาไว้ใครจะรักษานะนี่เทศเสียงแหบเสียงแห้ง สู้ตายมานานละหลายปีแล้วหวังอย่างเดียวนะจะสร้างชาวพุทธไปถวายพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเข้าตัวนะหลวงพ่อไม่ติดพวกเราเลยหลวงพ่อแค่ทําหน้าที่เท่านั้นเองทาหน้าที่ถวายพระพุทธเจ้าไปสืบทอดธรรมะไปครูบาอาจารย์ให้แสงสว่างมาจากครูบาอาจารย์สืบทอดกันมานะหลวงพ่อก็มอบต่อไป ก็เรามีหน้าที่นะเรียนให้รูวเรื่องนะอดทนนิดนึงอย่ามักง่ายบางทีมักง่ายคิดว่าพูดเหมือนกันเรียนที่โน้นบ้างเรียนที่นี่บ้างพูดเหมือนกันไม่เหมือนหรอกมีชาติที่ถีมันเยอะแยะไปหมดเลรักษาศีลห้านะไม่มีศีลห้าไม่เป็นชาวพุทธหรอก ฝึกจิตใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุดโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงไม่ใช่ชาวพุทธหรอกพุทธะก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันไม่ใช่ฝันทั้งวันตื่นแต่ร่างกายนะใจใจหลับต้องมาปลุกใจของเราให้ตื่น ใจของเราตื่นมันจะไปรู้สึกเลยนะว่าตอนตื่นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตเนี่ยหลับมาตลอดเนี่ยไม่เคยตื่นตื่นเฉพาะร่างกายใจที่ตื่นมันจะเบิกบานอยู่ในตัวเองไม่ได้ตื่นแบบตึงเครียดด้วั้นพุทธโธที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอย่างนั้นจริงๆรู้รู้เนือ้อรู้ตัวไม่ใช่ลืมเนือ้อลืมตัว ตื่นขึ้นมาก็คือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ไดนะ้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นในอดีตไม่มีเพราะดับไปหมดแล้วในอนาคตยังไม่เกิดนะรูปธรรมนามธรรมอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วเราก็ต้องรู้มันอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเห็นผู้รู้อยู่กับปัจจุบันนะ เห็นกายทํางานเห็นใจทํางานรู้ได้วใจที่ตื่นตัวไม่ใช่ใจที่เพ้อฝันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวใจที่หลงไปคิดนั่นแหละใจที่หลับที่ฝันใจที่หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวคิดได้นะแต่ความคิดไม่ครอบงอําใจใจจะเบิกบานขึ้นมาแล้วก็จะเห็นความจริงเรอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เห็นความจริงความจริงแสดงอยู่ในปัจจุบันในอดีตมีแต่ความจําในอนาคตมีแต่ความคิด ความจริงอยู่กับปัจจุบันให้เห็นร่างกายที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะก็แสดงใจรักจิตใจที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ก็แสดงใจรักษะดูของจริงไปเรื่อยสุดท้ายเราก็ได้เข้าสู่ความเป็นพุทธแท้เราจะเป็นพุทธแท้ๆนะเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตอนที่บรรลุพระโสดาบันนะก่อนหน้านั้นเราก็แค่เป็นกัลยาณนะ์ปุถุชน ย่อๆไหนกั l a y a ชนนะเป็นคนดีดีบ้าง้ายบ้างถือศีลห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะถึงวันที่เขาพอนะจิตจะเข้าสู่ววาเป็นกลางสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เวลาจำหลวงพ่อพูดต้องจำให้ครบนะ ไม่ใช่ไปอ้างบอกหลพ่อบอกว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นหลวงพ่อบอกสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เสมอในมุมของความเป็นไตรลักษณ์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วเขาไม่เที่ยงแต่ไม่ได้สอนว่าทําชั่วก็ได้เสมอกับทาดีนะไม่ใช่นะ <uncertainty> บางคนมาเอาไปอ้างมัวมวพอเราเห็นสุขทุกข์ดีชั่วมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะก็คือเห็นถ้า ทงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกอย่างมีแต่เกิดกระดับเกิดกระดับนะใจเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นรนใจหมดความหิวนะหมดความดิ้นรนถ้าบุญบา ร, รมีเราพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองถึงเราไม่เคยเข้าฌานวันนั้นมันจะเข้าฌานจิตเข้าฌานบางทีก็ชอาฌานที่1 สองสสยังมีร่างกายอยู่บางทีลึกลงไปจนร่างกายหายไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่นะจิตรวมเข้ า, าปัญหาแล้วจิตไปเดินปัญญาชั้นละเอียดข้างในสมาธิเดินปัญญาอย่างละเอียดเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับนะแต่ไม่รู้อะไรเกิดอะไรดับเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไป 2- อสขณะท่าน จิตก็าวางการรับรู้อารมณ์ที่เกิดดับนะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ธาตุรู้ที่มันบริสุทธิ์ไม่ใช่ทวนเข้าหาจิตแบบรวมข้ออัปปนาธรรมดานะรวมเข้าหาธาตุรู้เข้าถึงธาตุรู้แล้วนะอริยมรรคเกิดขึ้นเนม่นจะแวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มเป็นเปลือกหุ้มจิตอยู่ถูกแหวกถูกทําลายออก เป็นกิเลส ท, ที่ยอมเยิมอยู่ในเนื้อของจิตก็ทั้งหุ่มออกมานอกจิตจะเป็นเปลือกพุ่มเลยม่แทรกอยู่ข้างในยันข้างนอกเลยหุ้มอยู่อริยมรรคจะทําลายมันลงไปอริยมรรคชำแหละลงไปในจิตไปทไําลายกิเลสส่วนละเอียดเรียกว่าสังโยชน์กิเลสชั้นละเอียดสังโยชน์เป็นกิเลส ท, ที่มันผูกจิตให้เวี่ยง歪ใจเกิด ให้จิตมันติดอยู่ในพบในความเกิดวนเวียนอยู่พบดีบ้างพบชั่วบ้างอริยมรรคทนั้นแหละที่จะทำลายสังโยชน์ได้นะเวลาที่ทําลายสังโยชน์นั้นทําลายชั่วขนาจิตเท่านั้นเองแว บ, บเดียวนะปัญญาในอริยมรรคเนี่ยคมมากเหมือนมีดที่คมมากเลยฟันชับเดียวต้นไมใ้ใหญ่ๆขาดสะบั้นเลยปัญญาในอริยมรรคเนี่ยมันฟันสังโยตตายเลย ขาดทีเดียวในพริบตาเดียวนะแว บ, บเดียวจิตทั้งหมดภาระหมดงานที่ต้องทําในขณะนั้นมีจิตก็ เ, เสวยความสุขจากการว่างวางงานแล้วบรรลุอริยผลเต็มภูมิของพระอริยะชั้นนั้นชั้นนั้นเป็นภาวะที่สว่างว่างบริสุทธิ์ไม่มีความปรุงแต่งไม่มีการแสวงหาไม่มีกิริยาอาการใดๆในจิตเลยนะ ไม่มีการไปไม่มีการมานะบางคนเขจับได้ถึงความเบิกบานของจิตหลวงปูนะ่ดินย์เขาเรียกตัวนี้ว่าจิตยิ้มว่าจิตเนี่ยมันไร้รูปรักไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรให้เห็นที่จะสังเกตได้แต่ถึงความมีอยู่ของมันเวลาเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆนี้ยิ่งไม่มีอะไรให้สังเกตเลยนะเนี่เวลาจิตของเราอยู่ข้างนอกนี้จิตของปุถุชนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกันเราสังเกตความมีอยู่ของจิตโดยอาศัยเจตสิกเช่นจิตดวงนี้โกรธจิตดวงนี้โลภถ้าไม่มีเจตสิกนะเราจะหาจิตไม่เจอเลยจิตก็ไม่มีไม่มีเจตสิกก็ไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกในภาวนั้นมีจิตแต่จิตนั้นไปรู้พระนิพพานเขานิพพานเป็นบรมสุขนะ สัมผัสเข้าไปในความบริรมสุขนั้นจิตจะยิ้มแย้มขึ้นมาแสดงความมีอยู่ของจิตเหมือนอย่างจิตโกรธเนี้ยแสดงความมีอยู่ของจิตว่านี่จิตมีอยู่นะเรียกว่าจิตโกรธอั น, นั้นหลวงปู่ดูลเรียกจิตยิ้มไปจินไปสัมผัสพระนิพพานพระนิพพานมีความสุขมันแสดงอาการยิ้มแย้มมีความสุข ข, ขึ้นมาหลวงพ่อเคยถามท่านหลงวงปู่ครับเราต้องปฏิบัติให้จิตยิ้มกี่ครั้งครับ หลวงปู่ก็เอานิ้วขึ้นมานับสามสี่ครั้งนับไปอ๋อสี 4, 4่สี่สี่ครั้งเนี่ยต้องผ่านการตัดหนึ่งเนี่ยนะสี่รอบตัดครั้งแรกเนี่ยอยู่ได้แว บ, บเดียวนะอาสวะก็เข้ามาคลุมอีกครั้งที่สองก็เข้ามาคลุมครั้งที่สามกามาคลุมครั้งที่สี่เนี่ยขาดสะบั้นไปเลยไม่มาคลุมอีกละมันเหมือนเราไปเจอบ่อน้ํานะมีแหน่เขียวๆเคยเห็นไหม เป็นใบไม้เล็กๆลอยอยู่ในน้ำเราหินโตๆทุ่มตุ้มลงไปนะน้ำแหวกเห็นน้ำไปเดียวๆก็เข้ามาปิดใหม่ใบไม้้วเข้ามาปิดอีกทุ่มทุ่มหลายๆทีครั้งที่สเนี่ยหินโตเท่าสะเลยทั้นี้ทุ่มโครมเดียวหายหมดเลยนะกลับมาไม่ได้ละกำลังของอรหัตธรรคแรงขาดแล้วขาดเลยมันโตมันโตไม่ได้โดยไซน์นะหมายถึงโดยกาลัง ไม่มีไซส์ไม่มีขนาดเมื่อเราภาวนาไหมาถ้าใจมันผ่านอริยมรรคแล้วเนี่ยใจจะถอนออกมาสู่โลกข้างนอกเนี้แล้วทวนกลับเข้าไปมันจะทวนกลับไปดูว่ากิเลสอะไรตายไปหมดแล้วกิเลสอะไรยังเหลือถ้าครางสุดท้ายมันไม่มีกิเลสให้ดูมันดูไม่มีกิเลสมันจะไปทบทวนถึงพระนิพพานทวนพระนิพพานอยู่ จิตพระอรหันต์กับจิตโสดาสกทาคาอนาคานะั้นยังต่างกันนะจิตโสดาสกทาคาพอนาคายยังอยู่ในภพอยู่จิตพระอรหันต์หลุดออกจากภพแลนะไม่มีภพเป็นกิริยาอยู่ไปอย่างนั้นเองขันมันทํางานเป็นกิริยาไปอย่างนั้นเององั้นเวลาทําสมาธินะปุถุชนหรือโสดาสกทาคาอนาคาอะเวลาทําสมาธนะิจิตจะวิ่งไปจับอารมณ์ จับรูปธรรมบ้างจับอรูปบ้างอะไรเงี้ยถ้จิตพระอรหันต์นี่มันไม่จับอารมณ์อยู่นะทาความสงบพึ้นมันก็ถึงพระนิพพานเลยแค่นึกถึงก็ถึงเลยจะไม่เหมือนพวกเราพวกเรานึกไงก็นึกไม่ถึงนึกก็ได้แต่ความคิดเนึกแล้วไปกลายเป็นความคิดโสดาสกตาคาร า, านะเวลาจะไปสัมผัสพระนิพพานจะทวนเข้าไปหาพระนิพพานนะ ก็ามาดูรูปดูนามดูใจรักณ์ของรูปนามแล้วก็วางรูปนามวางรูปนามไปก็จะไปสัมผัสพัพนิพาณและจิตยังจับรูปจับนามอยู่ถ้าไม่ยึดรูปก็ยึดนามไม่กล้าที่จะปล่อยเพราะกลัวจะร่วงไปในความว่างใจมันจะกลัวไม่กล้าปล่อยอชีวิตจะมีความสุขมากนะหลวงปู่ดุลท่านสอนไว้ บอกว่าสภาวะของจิตใจนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมีสันติสุขอย่างแท้จริงอยู่ตรงนั้นว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวจากตนว่างจากกิเลสสว่างทำไมสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นโลกุตรปัญญาแล้วนะปัญญาสว่างไม่มีความมืดคลอบงาในใจ บริสุทธิ์ก็ไม่มีเชื้อของกิเลสเหลืออยู่เลยถอนขึ้นสิ้นเชิงกรนะทั่งอวิชชาหยุดความปรุงแต่งไม่มีความปรุงแต่งภายในนะใจไม่ปรุงขันปรุงแต่จิตไม่ปรุงหนะยุดการสแสวงหาเพราะไม่หิวใจของเราสแสวงหาร ม, มตลอดเวลาเพราะหิวหิวอารมณ์หยุดกิริยาของจิต ไม่มีการทํางานไม่มีการทํางานภายในโลวงปู่ดูลบอกว่าภายนอกเนี่ยว่างเปล่าไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวถ้าว่างีนะภาษาท่านนะไม่มีกิริยาการอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะไม่มีกระทั่งการหมาย การกำหนดหมายว่านี่จิตนี่จิตไม่มีการกำหนดหมายยังกำหนดหมายอยู่ก็ไม่ใช่ของจริงอีกสภาวะอย่างนี้นะต้องพอนานะภานาให้รู้ให้เห็นต้องเข้าไปเห็นนะเรียกว่าหน้าที่ของเราต่อพระนิพพานะคือการเข้าไปเห็นเนสัจจิกิริยากิจกิตกิจกรรมเนี่ยสัจจิกิริยากิ ต, ก ต, กต มีหน้าที่เข้าไปเห็นสิ่งนี้ให้ได้นะถ้าฉาวพุทธนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาแต่ประเพณีเอาแต่ทำทานถือศีลแต่นั่งสมาธนะิไม่เจริญปัญญาไม่มีวันเข้ามาถึงสิ่งที่บอกนี่เลยฟังครั้งเดียวยากนะเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ดูของจริงในกายดูของจริงในใจไปเดือนสองเดือนสามเดือนชีวิตก็จะเปลี่ยนแล้วล่ะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราได้อย่างรวดเร็วนะเปลี่ยนใจคนได้อย่างรวดเร็วเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเนรทีนะบางคนคิดจะไปโตวาทีกับพระพุทธเจ้าอาจารย์เนรทีนะห้ามไว้บอกอย่าไปคุยกับสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจคือใครไปคุยด้วยเปลี่ยนใจหมดเลยนี่หลวงพ่อกําลังสอนมนเปลี่ยนใจให้อยู่นะเนี่ย เปลี่ยนใจมืดๆให้สว่างนะเปลี่ยนใจชั่วๆให้ดีขึ้นนะเปลี่ยนใจที่ทุกข์ให้มันทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะที่เล่ามาเนี่ยคือมนต์เปลี่ยนใจของพระพุทธเจ้านะปรากฏว่าเดลตีไม่เชื่ออาจารย์นะรู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐีนะคนนี้ยเชื่ออะไรหลวงพ่อจำไม่ได้ล้วจำได้ไหมอุบาลีป่ะเชื่ออะไรจำไม่ได้เป็นเศรษฐีอไปคุยกับพระเจ้า แต่เดิมเป็ลูกศิษย์นี้คนน่าตำบุญทำบุญกับพวกขีเ้เปื้อยไม่ทำบุญกับพระไปก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้านะไปถึงก็ไปถามพระ เ, เจ้าว่าระหว่างกายทันวจีทันมโนทันเนี่ยอะไรมีโทษมากกว่ากันพระ เ, เจ้าบอกว่าพระ เ, เจ้าไม่บัญญัติเรื่องกายทันวัจีทันมโนทัน พระเจ้าบัญญัติเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเดลทีนี่ก็ถามว่าอะไรมีโทษมากกว่ากันระหว่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยพระเจ้าบอกมโนกรรมมีโทษมากเดลทีบอกว่ากายกรรมมีโทษมากอย่างกายกรรมเนี่ยไปฆ่าคนฆ่าคนทําให้ทะตายได้ มโนกรรมมาเห็นจะทำให้ใครตายเลยเวลาเรามีมโนกรรมมีความเชื่อมีความเห็นผิดๆฆ่าคนได้เป็นล้านๆเลยเหย่างฮิตเลอร์ทำคนตายได้เยอะเลยเป็นเรื่องของใจยิวไม่ได้มาทาอะไรฮิตเลอร์ซะหน่อยเนละหรือพระเจ้ายกตัวอย่างบอกว่านักบวชบางคนนะ่พลังจิตมันเยอะ เป็นฆ่าคนด้วยพลังจิตทีหนึ่งจำนวนมากๆเลยนะนใช้พลังจิตฆ่าคนนะาทนได้เยอะๆทำด้วยใจแล้วกายมันจะทำอะไรได้ก็พาใสยใจสั่งในใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเดียละทีนี่นะพอได้ยินพู้เจ้าตอบประโยคแรกนะเข้าใจแล้วล่ะแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องถามอีก อยากฟังธรรมะมากมา ก, มากท่านตอบประโยคแรกก็เข้าใจแล้วเพราะจีเนสมากเลยถามถามถามไปเรื่อยสุดท้ายก็ลงกราบพระเจ้าถึงพระรัตนตรัยได้ธรรมะด้วยคนนี้ได้อนาคานะพระเจ้าก็บอกว่าเคยทำบุญกับพวกชีเปลือยก็ทำต่อไปก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรหรอกอะไรเนี่ยแกม่ บอพวกนี้ไม่ละอายแค่รู้แล้วว่าอะไรเป็นของจริงอะไรของปลอมเับนะกลับมาบ้านเนี่ยเคยนิมนต์ชีเปลยมาบ้านก็ไม่นิมนต์นะแต่ว่าสั่งลูกน้องไว้ว่าถ้าพวกชีเปลยมาเขาอยากเข้ามาก็าให้เข้ามาเขาอยากกินก็ให้เขากินไปไม่ต้อนรับอะไรนะอาจารย์ใหญ่มาอาจารย์นิครนนาถบุตรมามาซัก เศรษฐีนี้ก็บอกว่าตอนนี้เป็นสาวกพุทธเจ้าแล้วะแกก็อาเลือดเลยหลยยังจากนั้นแม่นางก็ตายยอมใจตายแกบอกว่าเนี่ยเตือนแล้วสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจไม่เชื่อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุผลมามีเหตุผลเราได้ฟังมนเปลี่ยนใจแล้วนะ ต่อไปที่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนใจตัวเองใจร้ายใจยักษ์ใจมันก็ <c oughs> <c oughs> พัฒนาขึ้นมาให้เป็นใจมนุษย์มีศีลมีธรรมเป็นใจเทพใจรลมใจเทวดาชอบทาบุญนะมีความสุขใจรลมมีความสงบพวกเทพก็มีความสุขพวกรลมมันสงบสบายสุขประณีต ไปไปยกระดับใจของเรานะฟังซีดีไปถ้าสงสัยก็ฟังซีดีเอามาถามหลวงพ่อไม่ได้ไปเปิดซีดีฟังไม่ตอนร่อนเร่นะไมรอนเรไปถามคนโน้นถามคนนี้นะถามที่โน้นถามที่นี่เละหมดกลายเลยความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนกันเอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนการกับหลวงพ่อก็เลง รู้สึกคิดว่ามันก็มันไม่ต่างกับเมื่อวานนะครับก็ทำอย่างเดิมไปเรื่อยใช่ไหมครับทำให้สม่าเสมอนะไม่หวังผลทำเพื่อเถิดแค่นี้ <ๆ S 2> ก็เห็นแล้วว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมัปเปลี่ยนมาจากข้างในใจเราเปลี่ยนหนูก็ว่าหนูโล่งกว่าเมื่อวานค่ะหนะแต่เราไม่ได้เอาโล่งนะโล่งนี้เป็นผลพลอยได้เรา เรามีศีลมีธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาแสดงว่โล่งขึ้นลงขึ้นนะเป็นผลพลอได้มีความสุขมีความสงบเป็นผลพลได้มันม่เองทําไปเรื่องอะไรเราต้องทุกข์ทุกข์เพราะห่วงคนอื่นนะถึงเวลาแล้วละ่ะเราต้องเอาตัวให้รอดจะรู้สึกว่าใจมันเข้มแข็งขึ้นนะคะ ด, คะอดีอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อดีอย่างเนี้ยถ้าสมเป็นลูกพระหน่อย ในนี้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ปลื้มนะคุณแม่ก็ปลืมนะ้มหรอกหลวงพ่อมีการบ้านให้หนูไหมคะเนี่ยหนูอยู่กับปัจจุบันไปนะค่ะ<ฆ>โลกเนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคิดบ้านอย่างนี้นะโลกเนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ <Okay. S 1> มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากหรอกกรนะทั่งใจเรายังไม่ได้อย่างที่อยากเลยนะเราดูเงนี้ยใจคนอื่นเราจะไปให้เหมือนอยากได้ไงค่ะะ<ฆ>ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราจะมีความสุขเกิดมาคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ไม่กี่ปีหรอก เรื่องอะไรต้องทุกข์ทุกข์เพราะคนอื่นสู้นะทางนี้ทางของคนใจกล้าทางของคนไปคนเดียวลูกเลอกอะไรทิ้งเลยมันไม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆลแล้วมันใหญ่เบ้อเลยต้องสู้ต้องสู้นะใช่เพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคือเราเราต้องมีความสุข สามีเราลูกเราอะไรเนะี้ยญาติเราเขาจะได้ไม่ห่วงเนื้อเรามีความสุขซะคนเดียวนะปัญหาอื่นจะหายไปเยอะเลยมาอยู่วัดมีแรงเพิ่มขึ้นครับอืมถ้าผมขยับพัดอย่างงี้มันถูกต้องไหมครับเออพัดไปพัดแล้วรู้สึกเอาเนี่ยพัดแล้วแม่มันเย็นสบายใจ ấy. รู้ว่าสบายใจพัดแล้วยิกพัดยิ่งร้อน <laughs> มีนะบางที่นะยิ่งพัดยิ่งร้อนนะลมมันร้อนลมมันร้อนกว่าตัวเรายิ่งพัดเนี่ยยิ่งร้อนมันต้องไปอยู่ที่อับลมปิดห้องมืดมืดอนะไรเงี้ยเคยเจอทางอีสานนะสี่สิบเนี้ยโอ้ถูกลมพัดนะยังงลมผ่านเตาไฟมันยิ่งร้อนกว่าเก่าอีกแต่ต้องไปอยู่ที่แคบแคบซ่อนอยู่ปิดให้หมดเลยไปทําเอาครับผม <laughs> ผมขอ หลวงพ่อแนะนําได้ต่อเป็นนี้นะยมคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะดูทันความรู้สึกใจเป็นสุขก็รู้ใจไม่สุขก็รู้นะสบายใจก็รู้กังวลใจก็รู้นะถ้าวันไหนอ่านใจไม่ออกก็คอยรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายนั่งอยู่ก็รู้นะร่างกายพยักหน้าก็รู้ถ้าดูจิตดูใจได้ก็ดูใจไป วันไหนดูใจไม่ได้ก็ดูกายไปฝึกอย่างนี้แหละะชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้หนูกิเลสลากเรียบร้อยแล้วอ้าวทำไมล่ะมันไม่มีมันไม่ไม่ใช่มันไม่มีแรงสู้นะมันไม่สู้อ่ะทําไมอ่ะทําไมไม่สู้อ่ะหนูว่ามันมันไม่อยากอยู่ในโลกความจริงเพ่าไม่ทร้าค่ะมันเหมือนแบบไปอยู่ในโลกอื่นสบายกว่าใจมันหนีไปเลยไม่เข้าหาสมถะไป ให้ให้หนูเข้าหาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใจอะมันจะหนีไปหาความสุขความสงบพยายามกลับมารู้สึกร่างกายรู้สึกอะไรไปกลับมาอยู่กับโลกจริงๆนี้ไม่งั้นมันเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันใช่ค่ะมันไม่มันมันพอใจจะทำอย่างนั้นน่ะนั่นแหะมันมีความสุขแล้วหนูไม่เหมือนมันไม่ไม่สู้อ่ะมันหนูมันฮึดไม่มันไม่มีแรงฮึดอะไม่เป็นไรชาตินี้ยังฮึดไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวชาติหน้าไปทําต่อ อันนี้อันนี้เป็นแบบให้มันกลัวใช่ไหมคะใช่ๆ่อยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมมไม่แน่นะอาจจะไปเกิดประเทศที่มันลบกันทุกวันก็ได้แย่เลยนะแล้วหลวงพ่อตอนนี้หนูก็ไม่ได้นั่งด้วยเพราะว่าช่วงช่วงก่อนคือหนูหยุดนั่งประมาณสามอาทิตย์อะเพราะว่าล่าสุดแบบเหมือนกับว่ามันเป็นทำสมาถะผิดอะ หนูกไม่รู้มันจะทําให้ยิแย่เข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยทํายังไงผิดมาถึงหนูนั่งแล้วแบบมันเป็นสมาธิผิดอค่ะทั้งๆที่ช่วงเดือนมีนานแล้วหนูก็ทํามันก็ทําดีนะไปผิดอีกไม่รู้หนูใครตั้งใจไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่แต่ปัญหาคือหนูทําให้หลวงพ่อดูเนี่ยหนูรู้ลนะ้ว่าทำไง <Yeah. S 2> แต่เวลาพบเหมือนกลับไปบ้านมันพอสักช่วงหนึ่งมันก็จะไหลกลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้มแข็งไว้นะทําใจให้แข็งแรง เมื่อเช้าหนูหนูไม่อยากจะมาวัดเลยอ่ะนั่นแหละมารมันสู้กันอยู่ตั้งนานกว่าจะลุกขึ้นมาได้ อ, <laughs> อย่างนี้หนูต้องต้องสู้เอาเองใช่ไหมสู้ก็ <laughs> หนูคิดว่าเนื่องจากตะเกียรตะกายมาวัดสําเร็จครับมันก็เลยเหมือนกับมีแรงมากขึ้นเธอต้องสู้นะมารเนี่ยจะถ่วงเราไม่ให้เราพาวนามารไม่ชอบให้ใครจเจริญหรอก มันชอบให้เราเป็นธาตุของมันตลอดเวลามันครอบเราให้เฉยๆหนูก็รู้สึกว่ามันตื้อๆนั่นแหละมันครอบเราไว้อ้าวต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมปะคะนั่นแหละไปสู้เอาถูกมารหลอกจช่ยิ่งว่าแต่พวกเราเลยนะขนาดพระโพธิสัตว์มารอย่างกวางเลยพวกเราแน่สักแค่ไหนต้องเจอบ้างแหละบางทีก็ กำลังนั่งสมาธินั้นลูกก็ร้องนั่นแหละมานสามีสกิดแงวๆจะชวนไปกินข้าวอะไร น, นั่นแหละมานเจ้ากรรมนายเวรอาว่ามากับนมัศการหลวงพ่อครับอืมอไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วครับ อ, อช่วงนี้ปฏิบัติ เป็นมีมีวินัยมากขึ้นครับอืมดีก็เลยอยากมาข อ, อการบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับดูกายทํางานดูใจทํางานเหมือนดูคนอื่นทุกวันทําในรูปแบบรักษาศี่ห้าทำอย่างนี้เราจเจริญ น, นะทําไม่เถอะต้องอดทนหว้อดทนเหมือนพายเรือทวนน้านะถอยไม่ได้หยุดไม่ได้ไปเรื่อยค่อยๆไปเหนื่อยก็พายช้าๆหน่อย มีแรงก็ไปเร็วๆหน่อยเหมือนจะข้ามแก่งทวนย้อนแก่งขึ้นไมทวนเนาป๊บพอพ้นข้นไปได้ก็สบายไปช่วงขอบคุณครับคือว่าเป็นมีความรู้สึกว่า ตั้งแต่ฟังเทปหลวงพ่อมานะคะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็โกรธน้อยลงแทบจะไม่โกรธโดยซ้ำไปก็คือมีความรู้สึกว่ามันโล่งเวลารู้สึกว่าเรารู้สึกตัวว่าเราโกรธแต่คือจะจับประเด็นได้แต่ความไม่พอใจกับความโกรธส อ, อย่างที่เรารู้ทันเหมือนอมันรู้ทันนะคะแต่อย่างอื่นแบบเออดีใจนะฉันยิ้มฉันสุขใสฉันสุขกรนี้มีความนี้ความนี้คือตามไม่ทันไม่เป็นไร ได้ตัวไหนเอาตัวนั้นแหละค่ ะ, แ ล, <น>ะแล้วคือความรู้สึกว่าต้องตัดปฏิบัติยังไงต่อไปบ้างไหมคะหลวงพ่อดูไปเรื่อยนะไม่พอใจขึ้นมาโกรธขึ้นมารู้นะโกรธขึ้นมารู้โกรธหายไปก็รู้ไม่ต้องไล่มันนะแค่ดูมันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปฝึกอยู่แค่นี้แหลพอแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเยอะนะสําหรับคนคนหนึ่งอะอย่างท่านสอนคนขี้โมโหเนี่ยท่านจะสอนดุขรภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจบแล้ว จบหลักสูตรแล้วไปทําแค่นี้เองขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะรู้สึกว่าเ อ, อชีวิตมันเปลี่ยนแล้วละ่ะใช่ค่ะนะรู้สึกไ้มหน้าเราใสขึ้นถูกต้องค่ะ อ, อมีคนบอกไหมมีบอกเยอะมากเลยค่ะเออบางคนเขาถามนะใช่ค่ะหนูก็ออบอกว่าสวยด้วยธรร ม, มาขนหลวงพ่อปาโมนค่ะทํามะของพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อจําท่านมาสอนต่อพอดีมาที่นี่ครั้งแรกนะคะ อยาจะขอการบ้านนะเจ้าค่ะไปรู้ทันใจของเราไปใจเราเบิกบานใจเราตื่นตัวใจเราเบิกบานรู้ว่ามันเบิกบานแต่บางครั้งมันก็หอเหี่ยวเจ้าค่ะนั่นแหละภาวนาเป็นไม่ต้องบานตลอดนะดอกไม้อยังบานแล้วหูบเลยนะใจเราบานบ้างก็ผูกบ้างนะเดี๋ยวเช้าว่าบานใหม่นะเจ้าค่ะดูไปมันไม่เที่ยงไปดูเอาเห็นไหมใจเราเปลี่ยนทั้งวันดูออกไหมเออนั่นแหละ การนมัสการพระอาจารย์ค่ะมีเรื่องของจิตแล้วเรื่องของความคิดที่ยังควบคู่กันไปอยู่อะค่ะแล้วจะทํำยังไงให้หยุดในเรื่องของด้านความคิดเพื่อให้จิตมองหยุดไม่ได้ค่ะจิตมีหน้าที่คิดแต่ถ้ามันคิดแล้วเกิดสุขก็ให้รู้ทันคิดไปแล้วทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วสงบให้รู้ทันคิดแล้วฟุ้งซ่านให้รู้ทันนะะคให้มันคิดไปแล้วเราก็รู้ทันจิตไปอย่าไปห้ามความคิดนะห้ามไม่ได้หรอก คือหลวงปูดูลสอนอย่างนี้คิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดมีประโยคที่สามนะคนชอบไปท่องไว้2ประโยคทิ้งประโยคที่3ามคือจิตมีหน้าที่คิดท่านบอกงี้นะแต่ว่ามันคิดไปเนี่ยขณะที่มันหลงอยู่ในความคิดเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่ถ้าเมื่อไรเราเกิดรู้สึกขึ้นมานะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดเราบอกคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิด ป่อยให้มันคิดไปแล้วมีสุขขึ้นมาก็รู้มีทุกข์ขึ้นมาก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้น ะ, ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจงั้นไม่ต้องไปห้ามความคิดนะค่ะแล้วอย่างที่เราเพ่งอันนี้คือการที่เราคิดใช่หรือไม่คะไม่ใช่เพ่งเนี่ยเราไม่อยากคิดอะไรเราจ้องนิ่งอยู่เฉยๆนะคิดเนี่ยเราไม่ได้เพ่งมันก็แอบไปคิดเองอืมค่ะเอาแค่รู้สึก แค่รู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะอย่าให้ถึงขนาดเพ่งเพ่งปุ๊บมันจะแน่นแน่นเลยนะสังเกตตรงนี้แหละเพ่งหรือไม่เพ่งก็ดูที่แน่นหรือไม่แน่นะถ้าแน่นเระผิดแล้วหยุดก่อนแต่ถ้าลืมกายลืมใจก็ใช้ไม่ได้นะเผลอไปไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งกล่าวธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันว่านคะ่ะเออว่านมา หนูไปเพิ่มการทําสมาธาิเพิ่มเวลาในการปฏิบัติหนูเห็นว่ามันทํางานเกิดดับได้เองอยู่ภายในใอย่างนี้ใช่ใช่ไหมคะใช่<ะ><ะ>นั่นแหละเราเดินปัญญาล้นะแต่ว่าทุกวันเราก็ต้องแบ่งเวลาทําความสงบบ้างนะถ้เาเดินปัญญารวดไปเลยนานๆฟูงสซานไม่มีแรงไหวพระสวดมนต์อะไร<ว> เ, นนเไงี้ยทาทุกวันนะว่างๆไม่ไ ม, ไม่ไม่ทําอะไรก็นั่งบริกรรมเมตตาคูน่นางระหังเมตตาจำได้ไหม เมตตาคุณนง阿拉หัง阿拉หังเมตตา阿拉หังเมตตาเออมตตาคุณังอ拉หังเมตตานะของสมเด็จโตไปทํานะอันนั้นจะเป็นสมถะแล้วก็ต่อไปพอเรามีแรงสบายใจแล้วก็ดูขันมันทํางานเห็นขันมันแยกแต่และขันทํางานได้เองเห็นอนัตตาพวกปัญญากล้ายังว่าจะโทสากล้านะพวกปัญญากล้าเนี่ยจะเห็นอนัตตา เห็นไหมตรงตาลาเป๊้เลยไปดูเอาไปค่ะกราบพระคุณค่ะกราบนรรสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ ะ, ะรู้สึกว่าถูกจริต ก, กับแนวทางของหลวงพ่อเจ้าค่ะหลังจากที่ตามหามานาน แล้วก็มีความรู้สึกว่าวิธีของหลวงพ่อเนี่ยง่ายมากคือแค่ดูแล้วก็รู้อืแค่ดูเท่านั้นแหละดูโดยไม่ต้องใช้ปัญญาแต่มันก็เกิดปัญญาเจ้าคะ่ะหลวงพอ่อโอ้โหนะถ้าคิดเอาของเขาก็เรียกว่าจินตามยะปัญญาคือตอนนี้ก็ทําในรูปแบบก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะเจ้าคะ่ะแล้วก็พยายามทําสมาธิแล้วก็จเจริญเมตตาของหลวงพอ่อเจ้าค่ะของสมเด็จโตไม่ใช่ของหลวงพอ่อเจ้าคะ่ะ <laughs> ลอกมาจากอของท่าน เป็นคนที่มีโทสะแรงจ้าคะโทสะแรงดีนะภาวนา ง, ง่ายมันดูง่ายที่สุดในบรรดากิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกโมหะแรงเนี่ยนะเล่นยากโมหะแรงนั้นมันซึมทั้งวันเลยพอนาไม่ได้โทสะแรงพอนา ง, ง่ายมีบุญนะที่โมโหเนี่ยมีบุญมากแต่แต่แอบตกใจนะจ้าคะที่หลวงพ่อเคยฟังเสียหลวงลพ่อหลวบอกว่าใช่ใช่ใชมาจากนรกนะใชนะไปอย่างนั้นแหละ มันชินแต่ว่าไม่เป็นไรเราหลุดมาแล้วเราปัญญากล้านะเจเราดูเราดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยนะก็คิดว่าพบแนวทางแล้วก็แน่วแน่แล้วเจ้าค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะอย่าไปเพ่ง๋ยวไปจ้องจนมันนิ่งไปล่ะออให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้อย่าไปรอดูนะเมื่อไหร่จะเกิดมันก็จะนิ่งไปเลยแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นไม่เป็นไรนะจะจะโกรธก็ได้ตื่นเต้นก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วเรารู้อย่างที่เขาเป็น ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นสังเกตไมมอย่างตอนนี้ยพอเรารู้ว่าตื่นเต้นเฉยๆไม่ไปว่ามันนะใจเราเบิกบานใแล้วคลายตัวออกมันมันพูดอยู่ในใจเจ้าค่ะจะตื่นเต้นทําไมหลวงพ่อก็คนอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเจอนักเลงตัวจริงแล้วมีสิบนิ้วเหมือนกันบางทีเดินจงกรมมันก็ชอบเถียงกันนะเจ้าค่ะอ เดินเดินอย่างนี้สิเดินอย่างนี้สิเราจะพูดทําไมองี้มันจะเถียงกันนั่นแหละดูมันแปมันฟุ้งซ่านบอกเรามีตัวที่สามบอกแกสองตัวอย่าฟุ้งมากนะใช่เจ้าค่ะมันจะมีตัวที่สามมาโผล่ขึ้นมาบอกว่าเป็นกรรมการนั่นแหละใช่ตัวที่สามคือวันนี้ตั้งใจมาจริงๆเราอยากมาเห็นหน้าหลวงพ่อด้วยไม่เคยเจอองค์จริงหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละ ก็ขอโอกาสนี้กลับตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะได้ได้แล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ต้องยื่นใบสมัครนะให้แปภาวนาใครพาวนาก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอบุญกุศลใดหรืออนิสงส์ใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วข้าพเจ้าขอ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์ภูดูนัตุโลแล้วก็องค์พ่อปราโมทปลาโมทโชนะจ๊ะครับสาธุสาธุกำไรอีกแล้ววันนี้เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาพูดนะแคนเวทภาวนาได้บุญเอามาให้เราด้วยจากน้ำสการครับก็ ครับช่วงที่ผ่านมามันก็พอรู้ตัวบ้างครับแต่มันยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้อยู่สองอย่างครับคือเวลานั่งสมาธิหลับตานเนี่ยมันจะซึมทันทีเลยแบบทันทีนังน่งผิดเลยเนาะเราอย่านั่งหลับตาสิแต่พอลืมตาเสร็จมันก็จะมีอาการแกร่งที่ลําคอนะครับ อ, อ้ <c oughs> าวเหรอรอใหม่นั่งนะนั่งสบายใจยิ้มหวานก่อนเคล็ดลับของการทําสมาธินะเริ่มต้นต้องยิ้มหวานๆยิ้มอย่างผ่อนคลายยิ้มให้มีความสุขก่อน ไม่ใช่ยิ้มแบบเครียดๆนะต้องมีความสุขทําใจให้สบายก่อนพอใจเราสบายแล้วนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้เล่นๆรู้สบายใจรู้ได้ใจที่สบายไปเดี๋ยวๆก็สงบนะแล้วไม่ซึมคือไม่ควรไม่ควรจะนั่งเลยหรือเปล่าครับหรือว่านั่งสิแต่ว่าไม่ใช่นั่งไปหลับตาแล้วก็ไปเพ่งใสาลมหายใจถ้าไปจ้องสายลมไปนะมันก็นิ่งไปเลยซึมไปเอาหม้ นั่งลืมตาก็ได้นะนั่งทําใจสบายก่อนขั้นแรกอย่าลืมต้องทําใจให้สบายก่อนพอใจผ่อนคลายใจสบายแล้วนะเห็นร่างกายหายใจเอาแค่เห็นร่างกายหายใจนะแล้วใจจะสงบเองถ้าไปเค้นใจให้สงบมโมหะจะแทรกเป็นเพราะผมฟุ้งซ่านมากไปหรือเปล่าเยเอางี้สินั่งดูยิ้มหวานหวนแหมยิ้มแห้งแล้งจังเลยคนเนี้ย เห็นร่างกายนี่หายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจนะั้นไม่ได้ดูที่ลมนะไม่ดิ่งเข้าไปเห็นร่างกายหายใจไม่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวสมาธิจะดีขึ้นจำได้ยังอได้ครับขั้นแรกต้องทำอะไรยิ้มก่อนคนระับ <laughs> ต้องยิ้มก่อน <laughs> อ้าวไปกลับบ้าน